รพินตะโกนสั่งคนของเขาให้มาเก็บของทางด้านฝ่ายนายจ้างโดยเร็วเช้าวันนี้พวกกะเหลี่ยงห้วยเสือร้องและกะเหลี่ยงตะเคียนทองที่อพยพมาสมทบอยู่ที่นั่นด้วยได้เริ่มออกมายืน อ, อ๋อคอยส่งการจากไปของคณะเดินทางเต็มไปหมดทุกคนมีแต่ความจงรักภักดีและความเป็นห่วงแต่ก็ไม่อาจแสดงออกมาในรูปใดๆไ ด, ได้นอกจากยืนมองดูอยู่เงียบ ราพินสั่งให้รื้อกระโจมเต็นพักนอนแบบเต็นสนามขนาดใหญ่ที่ฝ่ายนายจ้างได้ใช้กลางในเวลาแรมคืนมาตลอดนับตั้งแต่ออกจากหนองน้ำแห้งมาโดยสั่งให้มอบไว้แก่พวกคั้วเสือร้องเพื่อใช้ประโยชน์และเอาไว้ดูต่างหน้าคิดสเตลีเชิดบุตรเห็นเข้าก็ยืนคอแข็งแต่ไม่กล้าปริปากเช่นไรแต่คริสติน่าและอิสเบนโวยลัน อะไรกันรบพินนี่มันเต็นนอนของเราหน่ให้พวกนี้ไว้ทำไมทำไมถึงไม่เอาไปด้วยผมขี้เกียจอธิบายด็อกเตอร์คุณช่วยอธิบายให้สองสุภาพสตรีของเรานี่ได้เข้าใจทีเฮอะย้อมพรานบอกข้วนหุวนแล้วก็เดินพระไปบงการในการเก็บของซึ่งกระทำกันอย่างรวดเร็วฉับไว เบนทําท่าจะวิ่งตามไปกระชากแขนเขาแต่หัวหน้าคณะคว้าตัวไว้ก่อนเบลอย่าไปวุ่นวายกับเขามากเลยเขาสั่งอะไรก็ทำอย่างนั้นเะการนำทางนะเป็นหน้าที่ของเขาโดยตรงอยู่แล้วแต่อาจารย์คะเงียบ <c oughs> เธอเบลเต็นสองหลังนะน้ำหนักมันไม่ใช่น้อยนะระพินต้องการให้พวกเราและคนของเขาคล่องตัว แบบน้ําหนักน้อยที่สุดต่อไปนี้เราไม่จําเป็นต้องใช้เต็นท์นอนอีกแล้วแค่ผ้าพลาสติกผืนนึ่งปูรองพื้นอีกผืนนึ่งขึงแทนหลังคากั้นน้ําค้างหรือฝนก็เห็นจะพอเพียงมันถึงเวลาที่เราจะต้องลําบากกันอย่างจริงจังละทั้งสองหญิงจึงเงียบไปโดยยังไม่มีพิธีรีตองอะไรทั้งสิน้นรพินโบกมือกับลูกหาพวกนั้น โดยการนำหน้าของอูถักและพระโตก็เหรียงอาสาสมัครด้วยใจพักเป็นคู่แรกก็แบกหาบขึ้นไหลนำหน้าไปก่อนทันทีถัดมาจึงเป็นคู่ของลูกหาบที่เป็นคนของเขาโดยตรงจากหนองน้ำแห้งเกิดและเสยความจริงนั้นแต่ไหนแต่ไรมาอยู่ในฐานะพรานคุ้มกันไม่ต้องแบกภาระอะไรเลยนอกจากปืนคุมขบวนเท่านั้นมาเช้าวันนี้ ในการออกจากค่วยเสือร้องมุ่งเข้าสู่แดนที่เรียกกันว่านรกดำเจ้าพรานเด็กหนุ่มลงทุนแบกคอสัมภาระด้วยอีกคู่หนึ่งโดยแบกเฉลี่ยน้ำหนักมาจากห้าคู่เดิมเพื่อให้แต่ละคู่ไม่หนักเกินไปนักคงปล่อยให้จันกระบุญคำเพียงสองคนเท่านั้นที่ไม่ต้องหับของแต่ถึงกระนั้นทั้งสองก็ยังต้องสะพายเปย้ติดหลังหนักเป็นพิเศษเกี่ยวกับเครื่องวชภันฑ์ และเครื่องมือจังเป็นบางอย่างของฝ่ายนายจ้างกลุ่มนั้นเดินเข้าขาบวนเรียงคิวผ่านพวกหมู่บ้านที่มายืนออคอยส่งอยู่ซึ่งบวกมือให้ไหวๆเอิงและเมียของมันพร้อมทั้งโบเมียกับโซกาเล่เดินตรงเข้ามาที่กลุ่มนายจ้างอเมริกันซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่รพินก้าวสวบสวบเข้ามาโดยเฉพาะ สอเอิงเดินจุดๆดจ้องจ้องเข้ามาหาหมอเบลและคริสติน่าพูดอะไรด้วยน้ำเสียงเครือทำตาแดงๆรับพินแปลให้ฟังว่าเสอเอิงบอกกระแหม่มผมแดงและผมทองว่าจะไม่ลืมพระคุณเลยที่ช่วยชีวิตไว้แล้วก็ขอขอบคุณพวกนายห้างอเมริกันทั้งหลายทุกคนด้วยที่ให้ความปรานีช่วยเหลือมาจนกระทั่งนำพวกเขา มาพบพี่น้องที่ห้วยสือร้องนี่ได้โดยปลอดภัยแล้วก็ขอให้พวกเราทุกคนจงปลอดภัยในการเดินทางครับคริสติน่าและเบลยินมโดยเฉพาะคริสติน่าโอบแขนกอดรอบไหล่เสลืองไว้ระพินบอกเขาด้วยนะว่าเราก็ขอบใจในน้ำใจไมตรีของพวกเขาเสียดายที่ร่วมระยะทางกันสั้นๆเพียงแค่นี้ แล้วการที่เราช่วยชีวิตเขาไว้คนสำคัญที่สุดไม่ใช่พวกเราสองคนหรอกหากแต่เป็นเพราะบารมีของคนที่ชื่อระพินไพรวันระพินแปลกลับเป็นภาษาเกเรียนแต่จะตรงกับคำของคริสติน่าทุกถ้อยกระทงความหรือไม่อเมริกันทั้งหมดไม่อาจจะทราบได้เห็นแต่เพียงสะเอิงเอามือของคริสติน่าไปวางไว้บนศีรษะ แล้วก็หันมาทางเบลกระทำการอันแสดงความเคารพรักคาระวะขีดสุดในอาการเดียวกันจากนั้นก็เป็นคำอวยพรด้วนด้วนสั้นๆของโบเมียกับซอกาเล่ขอให้ทุกคนอยู่ดีมีสุขไม่ตายซะเราจะพยายามผ่านกลับมาทางหมู่บ้านนี้อีกบินสแตนลีย์ประกาศขึ้นในภาษาของตนพร้อมกับโบกมือให้ ในห้างไปตายเอาดาบหน้าตาเท่าบุญคําโผงขึ้นมาดังๆกับทุกคนแล้วก็ก้าวออกเดินนั้นโดยตามหลังขบวนลูกหากทันทีทั้งหมดก็เคลื่อนกันไปเป็นหมู่เสียงคริสติน่าบ่นออกมาว่า uy, ตาเท่านี่พูดพิลึกแทนที่จะบอกว่าให้ไปสู่ความสำเร็จดันมาบอกว่าให้ไปตายเอาดาบหน้า เชิดบุูธหัวเราะพร้อมกับอธิบายว่านี่คุณสำนวนภาษาไทยอ่ะที่ว่าตายเอาดาบหน้าน่ะหมายถึงว่าเราพร้อมที่จะไปเสี่ยงเอาข้างหน้าในอนาคตที่ยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงไม่ได้แช่งว่าเราไปตายหรอกคุณรู้ภาษาไทยก็ควรจะรู้ลึกซึ้งดีพอด้วยไม่งั้นก็ตีความหมายผิดหมด หนุ่มสาวต่างผิวพัธุ์ทั้งสองดูเหมือนจะเข้ากันได้สนิทเหมือนเดิมดีแล้วจากการสังเกตของระพินซึ่งทำให้เขาโล่งอกขึ้นเป็นอย่างมากหลอบพยักหน้ากับจันผู้รังท้ายขบวนให้ต้อนกลุ่มนายจ้างอเมริกันเหล่านั้นไปตนเองยังอัดก้นบุรีที่เหลืออยู่เล็กน้อยนั้นจนลามขึ้นถึงก้นฟิลเตอร์ แล้วจิงทิ้งลงกับพื้นใช้เท้าขยีด้ดักความที่รู้เส้นรู้นิสัยกันดีอยู่แล้วไม่มีใครมามัวคอยกังวล น, นักว่าเขาจะต้องเดินมาพร้อมด้วยหรือไม่ต่างเดินกันไปตามสบายภายใต้การนำของบุญคําโดยมีจันทร์รวมกลุ่มอยู่ด้วยระพินเองแบบนี้ก็โปร่งโล่งใจขึ้นมากแล้ว การเดินกร้ำกันมาจนถึงห้วยเสือรองและการผ่านพบผจนกลับมหาภัยมาบ้างตามสมควรของบุคคลใต้าการรับผิด ช, ชอบเขาเหล่านี้พอจะวางใจได้ว่าบนเส้นทางเดินข้างหน้าต่อไปคนเหล่านี้ย่อมพร้อมแล้วที่จะเผชิญกระทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความคล่องตัวพอใช้ทีเดียวเพราะเท่าที่แล้วมานั้นเป็นการอุ่นเครื่องฝึกซ้อมมาแล้วอย่างดีนั่นเอง เขาหันหลังกลับมองมืออย่างปราศจากจุดหมายไปทางเท็ศที่ตั้งของหนองน้ำแห้งอันเป็นบ้านเป็นตำแหน่งสุดท้ายของความหวานชื่นที่ได้รับจากแม่เดาฟ้าดารินหมดสิ้นกันทีต่อไปนี้คงจะไม่มีอีกแล้วลาก่อนครับ ลากนคุณหญิงยอดรักเราจะพบกันได้เฉพาะในความฝันเท่านั้นนับแต่นี้นต่อไปลกเขาบนยอดไม้สูงขันขึ้นอีกแล้วจิตใต้สำนึกก็พลันแวววเสียงจู่ฮุกรคร เขาคูคร่ำครวจูู่หุกรูเจ้าร้างนวนโสกส่วนซบซ่าเขาเจ้าเอือดอย่าเลยร้องทํานองเศร้าฉันฟังแล้วฟังเล่าเสียงมันเข้าไปควานสู สบัดหน้าปักใจหันกลับมาทางเดิมอีกครั้งแล้วหักกิ่งไม้ที่โผล่ยื่นออกมาใกล้ตัวงอพับลงระลึกถึงครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทศัพพวิชาการให้พระคุณของบิดามารดาผู้ให้กำเนิดแล้วกลั้นใจสะกดป่าขอเบิกทาง วันสายในม่านหมอกก็พลันปรากฏดวงขึ้นนักบัตรนั้นป่าทั้งป่าสว่างสวัยราวกับอาบไว้ด้วยแสงอังพันทุกสุงทุมพุ่มไม้ทุกขุนเขาใหญ่น้อยที่มองเห็นขวางกั้นล้อมในลักษณะครึ่งวงกลมกระจ่างชัดเด่นตาไปหมด ระพินไพรวันช่วยไรยเพื่อนที่วางพิงไว้กับโคนต้นไม้ขึ้นมาโคนไว้ในอ้อมแขนแล้วก็เคลื่อนออกจากที่เดินดุมดุมด้วยฝีเท้าปกติของเขาตามหลังกลุ่มนายจ้างที่ล่วงหน้าไปก่อนห่างประมาณห0สิบเมตรนั้นไปทันที ลงไปก่อนสุภายากขนันเป็นทางเดินของพวกกะเลียงวัวเสือร้องที่ใช้เป็นเส้นทางเดินเข้าไปเลาะอยู่ริมดงใหญ่พวกที่หาบของล่วงหน้าไปก่อนพอจะรู้เส้นทางในระยะต้นนี้ดีอยู่แล้วจากการสั่งบอกล่วงหน้าของระพินให้บายหน้าไปยังจุดหมายใดก่อนจึงไม่มีการพะวงหลังทุกคู่หาบนำาลิ้วไปอย่างชนิดเต็มสตรีม ในสภาพที่ร่างกายและพละกําลังสดชื่นแข็งแรงเต็มที่แล้วชั่วมีชามีนานกลุ่มลูกหาทั้งหมดก็ลับตาหายเข้าไปในป่าหญ้าขนที่ขึ้นบังสูงท่วมหัวพวกนายจ้างที่เดินตามเบื้องหลังจะสังเกตเห็นได้จากรอยเดินที่ผ่านลวงหน้าไปก่อนและถ้ามองระดับยอดหญ้าไกลออกไปเบื้องหน้า ก็เห็นอาการไหวเอ็งของยอดหญ้าเหล่านั้นบ้างเท่านั้น20นาทีแรกรพินยังคงเดินทอดน่องล้าหลังสุดเว้นระยะห่างจากกลุ่มนายจ้างประมาณ40เมตรแดดเริ่มแรงกล้าขึ้นทุกขณะจันกะบุญคํายังคงทาหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงเกาะกลุ่มเดินใกล้ชิดไปกับบุคคลทั้งห้าอยู่ตามเดิมอย่างรู้หน้าที่ดี เมื่อทางคณะล่วงเข้ามาอยู่ในบริเวณทุ่งหญ้าขนเช่นนี้ทัศนวิสัยรอบด้านก็อับทึบไปหมดไม่สามารถจะมองเห็นอะไรรอบตัวได้เลยยกเว้นแต่ยอดตาและขนเขาระยะไกลลิบลิออกไปเบื้องหน้าที่มองดูผาดผาดท้ายอินทรียักษ์ที่ยืนระงานกำลังขยับปีกอยู่โดยหันหน้ามาทางคณะเดินทาง เพื่อเขาอแอลเลเห็นว่าใกล้ที่สุดนั้นมีรูปลักษณะเช่นนั้นในมุมที่กำลังเดินกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นส่วนศีรษะจะงอยปากหรือหัวปีกทั้งสองที่แลดูกึ่งหุบกึ่งกางก็คือลอนของขุนเขาใหญ่น้อยที่เป็นทิวทมึนอยู่นั่นเองอเมริกันทั้งสี่เหมือนจะนัดแนะกันไว้ก่อนแล้ว ไม่มีใครแสดงความสนใจที่จะหันมาดูหลังเลยนอกจากเดินรุดหน้าไปเรื่อยๆด้วยฝีเท้าไม่รีบรีงอะไรนะักคงมีก็แต่เชิดวุฒิเท่านั้นที่มักจะเลี้ยวหลังกลับมาดูบ่อยๆถ้าเส้นทางที่เดินกันไปเป็นแนวเส้นตรงเขาก็อาจเห็นพรานใหญ่เดินดุมๆตามหลังมาห่างๆและทุกครั้งที่หันกลับมามอง สิ่งที่เห็นก็คือฝ่ามือที่โบกทำสัญญาณให้เดินไปข้างหน้าหากเส้นทางตอนไหนหักเลี้ยวลัดโดยมีพงหญ้าขนบงังก็จะมองไม่เห็นเงาของเขาเลย30นาทีก็แล้วส5หนาทีก็ผ่านไปแล้วระพินไพรวันเท่าที่ทุกคนรู้และเห็นมาแต่แรกว่าเขาเดินตามอยู่เบื้องหลังก็ยังไม่ปรากฏ ว่าจะเดินตามมาทันขบวนและเชิดวุธิเลี้ยวกลับไปมองก็งไม่เห็นวี่แววของมารคุเทศนำทางซะและ้วหลายต่อหลายครั้งที่สแตลีปลดวิทยุมือถือประจำตัวขึ้นมาทำท่าจะเปิดเรียกแต่คริสตีน่าห้ามไว้อย่าค่ะอาจารย์อย่าเรียกวันนี้เราจะทดสอบเขาดูเหมือนกัน ว่าเขาจะมาร่วมกับเราในชั่วโมงที่เท่าไหร่ตำแหน่งไหนของป่าแล้วก็อย่าได้เอ่ยถามถึงเขากับคนของเขาสองคนที่เดินอยู่กับเรานี่เลยไปกันอย่างนี้แหละหล่อนกระซิบพูดเบาๆหัวหน้าคณะยักไหล ย, ยิ้มกร่อยๆพึมพรมาว่าอืมไอ้เสือนี่อ่านใจหมอยากจริงๆ ในที่สุดหนึ่งชั่วโมงกระเจ็ดนาทีผ่านไปแล้วนับตั้งแต่เริ่มต้นออกจากหมู่บ้านห้วยเสือร้องขบวนทั้งหมดก็โผล่พ้พ่พนบริเวณป่าหญ้าขนอันกว้างใหญ่ออกมาได้พอจะมองเห็นทิวทัศน์ได้โปร่งโล่งพอสมควรเป็นป่าแดงอันแห้งกรอบเกรียมพื้นที่สูงสูงต่ําๆแห้งผาก อากาศร้อนอบอ้าวขึ้นทุกทีจนเหงื่อโสมกายอุดมไปด้วยเนินปลวกใหญ่น้อยขึ้นอยู่เต็มไปหมดณนะตำแหน่งนี้แลเห็นพวกลูกหาบที่เดินเรียงเดี่ยวล้อลัดไปตามแนวปลวกเหล่านั้นอย่างถนัดแล้วทุกคนก็ถอนใจออกมาอย่างโล่ง อ, อกระคนอดพิษวงไม่ได้ที่มองเห็นร่างสันทัดของพรานใหญ่ ยืนอยู่ริมปลวกลูกหนึ่งทิศทางเบื้องหน้าที่ทุกคนกำลังบ่ายหน้าไปกำลังโบกมือเป็นสัญญาณตีใบกับพวกลูกหาบชี้ทางให้เดินเรียบไปทางด้านซ้ายมือขณะเดียวกันก็วาดมืออีกข้างหนึ่งขึ้นช้าๆมาทางกลุ่มของนายจ้างเชิงเร่งให้ทวีฝีเท้ากระชั้นชิดเข้ามาระยะที่เห็นนั้นห่างประมาณหเมตร บุญคำนั่นผีหรือคนกันแน่เจ้านายบุญคำอะ่ะเห็นเดินอยู่ข้างหลังตลอดพย อ, อีกทีไปดักหน้าอยู่โน่นแล้วมองไม่เห็นเลยว่าเขาลัดทางหรือว่าอ้อมทางไปดักรอเราอยู่ได้ยังไงสเตลีร้องออกมาเบาๆแผงจุ ป, ปากคลวงศีรษะอย่างกลัวใจในห้างบอบ อยู่ในป่านะ่ะนายราพินะ่ะไม่ใช่คนไม่ใช่ผีหรือคนหรอกแต่เป็นเทวดาตาพรานเท่าบอกมาหน้าตาเฉยมีไงเขาหาหรือหายตัวได้ละมะเบนพูดเสียงสูงเบาลมพูดออกจากริมฝีปากที่เริ่มจะแห้งแมมเวลาเรามองเห็นแกอยู่แก้หาะ หรือหายตัวไม่ได้รอกแกถมองไม่เห็นแกก็เหาะหายตัวหรือบางทีก็ดำดินเบิกภูเขาเปิดตาหุดไม่ได้แล้วตาเข้าก็ยิงฝันหัวรอถ้าพวกไงห่างมัวแต่สงก็ใสเรื่องนี้อยู่ก็ต้องสงก็ใสไปเรื่อยๆนั่นแหละเรื่องของเรื่องก็คือนายรพินก็นเดินเร็ว เดินเบารู้ทางพวกนายห้างนะว่าเดินกันเก่งๆแล้วก็ก้าวไปได้ก้าวเดียวแกก้าวไปได้แล้วอย่างน้อยก็สี่ห้าก้าวเร่งฝีเท้ากันเถอะแกเร่งมาแล้วโบกมือเรียกอยู่เยงเยงนั่นทั้งชุดของฝ่ายนายจ้างเคลื่อนใกล้จุดที่ระพินยืนรอคอยอยู่เข้าไปจนกระทั่งทานถึง พานใหญ่มีสีหน้าตายด้านอ่านอะไรไม่ออกอยู่เหมือนเดิมเพียงจะยกมือขึ้นแตะปีกหมวกทําท่าเหมือนจะวันธยาหับในลักษณะของทหารอเมริกันปฏิบัติกันอยู่โดยปาดเฉียงมาเบื้องหน้าผ่านคิ้วขวาของตนเองเมื่อหัวหน้าคณะเดินเฉียดใกล้เข้ามาสเตลีโบกยกมือตอบแล้วก็ยิ้มยิ้มโดยไม่เอ่ยสักถามคาใดทั้งสิน้นคนถัดมาเป็นคริสตินา หลอนเฉียดผานไปเฉยๆเช่นกันทำทีเหมือนจะมองไม่เห็นเขาหรือสนใจอะไรทั้งสิน้นถัดมาก็เป็นเชิดพุทซึ่งพอมองเห็นเขาก็ยิ้มให้อย่างยินดีนายคิดผู้เดินเฉียดผานเอื้อมมือมาทำท่าจะคว้าแขนเขาเพื่อจะจูงออกมาจากริมทางให้ไปด้วยกันแต่พรานใหญ่ฉากหลบเข้าไปหนึ่งเก้าคิดจริงคว้าผิดมูฟ เสียงเขาร้องเตือนเบาๆแต่หนักลึกอยู่ในคอในนั้นจึงต้องเดินตามหลังพักพวกต่อไปคนสุดท้ายคือเบในแถวที่เริ่มกระจายออกเรียงเดี่ยวนั้นพอมาถึงตำแหน่งที่เขายือนอยู่ริมทางก็หยุดยืนหอบเล็กน้อยโอ๊ยร้อนเหนื่อยหล่อนร้องขึ้นเบาๆขอน้ำหน่อยอ่ะคุณไพวัน น้ำในกระติกประจำตัวของคุณเองก็มีไม่ใช่เหรอมีน้ำซ้ำแคปซูลแก้กระหายน้ำก็มีทำไมไม่เอามาลองทดลองใช้ดูโดยไม่ยอมเสียเวลาใดๆทั้งสิ้นรพินตอบพร้อมกัด ก, ก้าวเข้ามาเอามือแตะหลังหล่อนกระตุ้นให้เดินต่อโดยมีเขาเดินมาด้วยเป็นชุดปิดท้ายเพราะขณะนั้นทั้งบุญคำและจันไปเดินอยู่ด้านหน้าแล้ว นี่คุณเมื่อสุภาพะตรีบอกว่าเหนื่อยและหิวน้ำคุณกลับให้คำตอบแบบนี้เหรอไม่อยากจะต่อล้อต่อถิงอะไรทั้งสิ้นเพราะสังเกตดูตั้งแต่เช้าวันนี้มาแล้วอิสเบนดูออกใจเฮี้ยวๆ้วไปลวกลูกรวนเข้ามาตลอดจึงปลดกระติกน้ำของตนเองเปิดฝาส่งไปให้เบนชำเรืองมองดูเขากรอกน้ำใส่ปาก ดื่มไปได้ประมาณห้าหกอึกและที่เหลือเต็มกระติกตหล่อนก็แกล้งเทรถหน้าราดลำคอให้สวงอกของตัวเองจนเปียกโชกไปหมด้วเทเหมือนจะอาบเช่นนั้นจนกระทั่งหมดหยดสุดท้ายในกระติกของเขาคล้ายจากแกล้งกันแล้วก็ส่งกระติกคืนให้หน้าตาเฉยแลวพิงก็ไม่ได้ว่าอะไรรับมาปิดฝาแล้วเน็บเอวไว้ตามเดิม เมื่อเขาไม่พูดหรือแสดงปฏิกิริยาอะไรนอกจากจะตบสะโพกหล่อนเบาๆเป็นเชิงเร่งให้เดินต่อหล่อนก็ว่าบ้าจริงนี่คุณไม่โวยวายหรือด่าอะไรฉันสักคำเหรอจะให้ด่าเรื่องอะไรก็ฉันแป้งเทน้ำดื่มจากกระติกของคุณอาตัวจนหมดนะดิด้วย้าวหน้าเกรียมกระด้าง ตาบุ ค, คลิกแต่แววตาอ่อนโยนระพินตอบหล่อนเสียงขึ้มๆว่าเบรคุณนี่มีนิสัยเป็นเด็กเกินไปในการเดินทางมาสู่ความตายครั้งนี้ผมสงสารคุณมากกว่าทุกคนนะสงสารเรื่องอะไรที่คุณจะต้องมาสงสารฉันในพราน ก็สงสารในความไม่ประสีภาษายังไงล่ะผมนอดน้ำได้ทนกว่าพวกคุณหลายเท่านะน้ำที่ติดตัวผมอะ่ะไม่ใช่เพื่อตัวผมเองโดยตรงหรอกแต่เผือไว้สาหรับพวกคุณในเวลาจำเป็นขีดสุดนั่นแหละแต่เมื่อคุณมีอารมณ์อยากจะแกล้งผมโดยเทราตัวใส้หมดผมจะไปเดือดร้อนอะไรเบาตัวเสอีกอแลวถ้าพวกคุณเกิดหมดน้ำขึ้นมาจริง จะมาขอจากผมก็แปลว่าไม่มีแล้วฉันโง่มากนะเทียบกับคริสไม่ได้เลยรายนั้นสิถึงจะประกบคุณได้สมน้ำสมเนื้อหน่อยจริงไหมจอมพรานสันสีสั์คุณไม่โง่หรอกเบลเพียงแต่ว่าคนละสไตล์กับคริสเท่านั้นอะ่ะไอ้น้ำที่ราดลงไปบนตัวคุณมันให้ผลเปลี่ยนสองประการเท่านั้น ซึ่งผมก็ไม่เห็นว่ามันจะเป็นสิ่งดีงามอะไรขึ้นมาคือหนึ่งแกล้งทิ้งน้ำของผมใช่ลองเชิงซึ่งผมไม่แคร์หรอกสองเอาน้ำราดเปียกเสื้อของคุณเน้นให้เห็นหน้าอกของคุณว่ามันใหญ่โตมโหฬารเพียงไหนหน้าลูปหน้าขยำเพียงไรแต่คุณลืมนึกไปว่าพรานและลูกหาบก็เป็นผู้ชายทุกคนไอชนวนเซก เพื่อที่คุณไปจุดขึ้นแบบเนี้มันอันตรายสําหรับคุณเองเกิดพวกนั้นทนไม่ไหวจกักขุนขึงพืชตรงขุมขืนเมื่อไหร่นี่เป็นเวลาที่ผมขัดขวางไม่ทันคุณจะลําบากมากกว่าสนุกในเกมเพราะแต่ละคนก็มีอารมณ์เปรี้ยวๆทั้งนั้นและที่ผมจะบอกให้ทราบก็คือจากวันนี้ไปจนถึงพรุ่งนี้เราจะพบแหล่งน้ําอีกหรือเปล่าไม่ทราบในเส้นทางที่บายหน้าไป เพราะฉะนั้นเราควรสงวนน้ำเอาไว้ให้มากที่สุดแต่คุณก็แกล้งเททิ้งไปซะอย่างน้อยก็หนึ่งในสี่ของแกลอนแล้วึอย่างเปล่าประโยชน์ด้วย s u r r เ n d e r เบนร้องขึ้นอย่างจำนนแล้วปลดกระติกน้ำของตนเองที่มีอยู่เต็มเปลี่ยมส่งไปให้เขาบอกว่าคุณเอากระติกของฉันไปมันยังเต็มอยู่เหมือนเดิม แล้วเอากระติกเปล่าของคุณไหมชั้นไม่ต้องหรอกเบร์คุณเก็บไวเ้เถอะและขอบคุณที่ช่วยทำกระติกน้ำที่มันหนักของผมให้ว่างเปล่าเบาลงผมสบายขึ้นอีกเยอะเชียแล้วเขาก็จูงมือเบร์แร่งฝีเท้าขึ้นไปจนทันกลุ่มของนายจ้างพวกนั้นพอเห็นเขาเดินตามมาทันก็แปรรูปการเข้าแถวเรียงหนึ่งมากลายเป็นเกาะหมู่ นันมื้อเที่ยงสำหรับวันนี้นี่ผมขอยืดไปสักสองชั่วโมงได้ไหมครับเพราะเราออกเดินทางวันนี้มันค่อนข้างจะสายมากแล้วจอมพรานประกาศกับพวกนั่นเบาๆตกลงจะกี่ชั่วโมงก็ได้ต่อไปนี้ไม่มีความจําเป็นอะไรที่เราจะต้องรักษาวเวลาอาหารหรือเวลานอนของเราหรอกสุดจากความจำเป็นแล้วคันหิวทนไม่ไหวเมื่อไหร่ก็หยุดกิน ง่วงพพียเดินไม่ไหวเมื่อไหร่ก็หยุดนอนเอ า, อางั้นแล้วกันอเมริกันเอาวุโสโบอกแทนให้แก่ฝ่ายตนทุกคนดีมากครับด็อเตอร์นี่แสดงว่าคุณเข้าใจสถานการณ์ของพวกเราทั้งหมดได้ดีที่สุดนั่นคือความจริงที่เราจะต้องปฏิบัติกันแล้วนับแต่ออกจากคั้วสือร้องครับนี่ระพินเรากำลังมุ่งข้าหาจุดหมายแรกที่ไหน คิดถามขึ้นระพินชี้มือข้ามป่าแดงไปยังเทือกเขานกอินซีที่เห็นอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือโน่นทิวเขาที่มีรูปร่างเป็นสัญลักษณ์ประจำชาติของคุณนั่นแหละอินซีพังอาดไปอีกไนงะแต่ลองพิจารณาให้ดีนะจะเห็นว่าจะงอยปากของมันอาบเพเยะเล็กน้อยแล้วทำท่าเหมือนจะถาถมเข้ามาจิกเราเป็นพักษาหารนั้นแหละคุณ ทุกคนมองตามแล้วก็เห็นในลักษณะที่มรุเทศนำทางพูดจริงทุกอย่างในมุมที่กําลังเดินกันอยู่นี้ทิวเขาเถือกนั้นมีรูปร่างเหมือนอย่างที่เขาบอกไม่มีผิดเสียงระพินบอกต่อมาว่าเดินอีกประมาณสักสองชั่วโมงเสร็จเราจะหยุดพักที่ตีนเขาลูกนั้นแล้วก็จะไต่หน้าผาตัดขึ้นบริเวณที่เห็นเป็นโคลนของปีกท้าย อาจจะสูงแล้วก็เสียงอันตรายหน่อยแล้วคืนนี้ก็คงจะต้องพักกันบนส่วนใดส่วนหนึ่งของเถือกที่เห็นเป็นรูปปีกอินทรีด้านซ้ายนะ่ะป่าแห้งแล้งตลอดเข้าใจว่าไม่มีแหล่งน้ำเลยจนกว่าเราจะข้ามลงไปยังอีกฝากจึงจะเข้าเขตดงดึกดำบรร น, นี่รู้สึกว่าคุณจะสั่งให้พวกเราทั้งหมดเดินอ้อมป่าแดงไปทางซีกซ้ายนะ ถ้าหลบเนินข้างหนึ่งที่เห็นอยู่ใกล้ๆนั่นแล้วตัดเป็นเส้นตรงจะไม่ย่นระยะกว่าเลยกระพินคิดออกความเห็นเชิงหาหรือใช่คิดก็ใช่ตามที่คุณว่านั่นแหละมันจะย่นระยะทางเข้าไปได้อีกหลายไมย่แต่ที่ผมให้บ่ายออกทางซ้ายตลอดดูเหมือนอ้อมโดยใช่ที่เนี่ยเพราะผมไม่อยากให้พวกเราทั้งหมด เสียงโดยไม่จําเป็นเสียงเหรอเสียงอะไรเกือบทุกคนนอกจากเชิดบุตรผู้ฟังแต่ผู้ฟังเงียบเงียบร้องเป็นเชิงถามขึ้นมาด้วยความสงสัยเป็นเสียงเดียวกันมีไม้หิงสาเออผมหมายถึงควายป่ามีไม้หิงสาอยู่ฝูงหนึ่งประมาณเกือบร้อยตัว นำลังเดินอยู่หลังเนินที่คือแนนคิดว่านั่นแหละควายป่าเอเชียดูร้ายแล้วก็ปราดเปรียวกว่าเคฟบัฟเฟโลของแอฟริกาโดยเฉพาะควายป่าในดงที่ลึกออกมาจากห้วยเสือร้องแล้วถ้าได้กลิ่นหรือเห็นมนุษย์จะเป็นฝ่ายชาร์จมากกว่านี้เราไม่ต้องการเปลืองลูกปืนโดยเปล่าประโยชน์ไม่ต้องการเสียเวลาแล้วก็ไม่ต้องการให้คนใดคนหนึ่งของพวกเรา ซึ่งอาจเป็นพวกลูกหากต้องบาดเจ็บล้มตายลงเพราะฉะนั้นหลีกมันซะลงใต้ลมดีกว่าแล้วก็ขอความการุณาเถอะอย่าขัดแย้งโต้เถียงกับผมในเรื่องอารมณ์ของสัตว์ป่าในแถบที่เราจะมุ่งม้าไปนี่สัตว์แพททุกชนิดทุกประเภทในนรกดำนะไม่กลัวคนแทนที่จะเป็นฝ่ายหนีกลับเป็นฝ่ายเปิดฉากโจมตีก่อนเสมอ แม้แต่กิ้งกาสักตัวก็อาจจะกระโดดกัดพวกคุณได้ถ้าเฉียดเข้าไปใกล้โดยไม่ระวังตัวให้ดีทุกคนเงียบกริบไม่มีใครคิดว่าเขาจะพูดเกินเลยความจริงหรือขู่ใดๆอีกต่อไปเพราะได้บทพิสูจน์มาแล้วว่าพระนำทางผู้นี้พูดจริงเสมอตรงข้ามบางขณะควรพูดบอก ควรจะเตืนอะไรกันบ้างกลับไม่พูดเสียด้วยซ้ำระพินเจ้าผีดิบมันไตรกระช่างบริวารของมันเนี่ยจะพบกับเราอีกไหมในหนทางข้างหน้านที่สุดหัวหน้าคณะก็ถามขึ้นเบาๆระหว่างที่เดินเกาะกลุ่มโดยมีระพินร่วมอยู่ด้วยเป็นครั้งแรกนับแต่เริ่มต้นเดินทางในวันนี้ด อ, อร์ครับ ในนรกดำารือในเส้นทางที่เราจะมุ่งไปคือทิ่นแท้จริงของมันครับถ้ามันยังไม่เข็ด จ, จากการประทะกับเรามาแล้วและจะมุ่งร้ายกับเราอยู่อีกมันจะทำได้สะดวกกว่าเส้นทางที่เราผ่านกันมาแล้วครับแล้วคุณวางแผนยังไงเกี่ยวกับไอ้นรกนี่เราจะผ่านนิทรานครไหมในเส้นทางข้างหน้าคิดถามอย่างอ่นอัดใจ ก็อย่างที่บอกไว้แล้ว่ะครับแผนแน่นอนนะผมยังไม่มีเพราะไม่รู้จะวางแผนยังไงทุกอย่างนะมันสุดแต่ปัญหาเฉพาะหน้าแต่ละครั้งสิ่งที่หนักใจที่สุดก็คือมันสามารถไปนาเอาช้างป่ามาเป็นกาลังทำลายล้างพวกเราต่อให้ยิงล้มเป็นร้อยร้อยตัวก็ไม่มีวันหมดมีแต่ว่ากระสุนของเราน่ะจะหมดก่อนเราต้องทำลายที่ต้นเหตุคืออิทธิฤทธิ์อาคมของมันไตรให้พินาศไป ซึ่งผมก็ยังนึกไม่ออกในตอนนี้ว่าจะมีวิธีเช่นไรส่วนอาณาจักรอาถันที่เรียกว่านิทรานครนเ่ผมก็จำตำแหน่งแห่งที่ของมันไม่ได้แล้วเราอาจไม่ผ่านหรืออาจจะผ่านเข้าไปเมื่อไรโดยไม่รู้ตัวก็ได้แต่ถ้าผ่านเข้าไปผมจำภูเขาเป็นสุตรสารมัมมี่ของมันได้ครับถ้าพบเราจะสารวจปากทางเข้าออกของทุกสูสารเท่าที่จะค้นหาได้ แล้วจะระเบิดปิดทางเข้าออกนั้นซักไม่ให้มันนำเอาซากมั ม, มีออกมาใช้ได้อีกไอ้ลําพังซากนักรบตัวใหญ่ที่มันสิงอยู่ในขณะนี้หากพบอีกเรามีทางกำจัดทำลายได้ถ้าซากนั้นหมดสิ้นไปวิญญาณร้ายของมันก็จะไม่มีทางไปสิงสู่อยู่ในซากอื่นๆนำออกมาใช้ได้อีกในกรณีที่เราปิดทางเข้าออกจะให้หมดนี่เป็นแผนคร่าวๆของผมเท่านั้นนะครับ เราไม่ได้มีจุดมุ่งหมายโดยตรงที่จะไปต่อสู้หรือตามจองลางจองแผนกับมันแต่เรามีจุดมุ่งหมายของเราอยู่แล้วว่าจะต้องไปทำอะไรมิฉะนั้นก็เสียเวลาแย่สรุปก็คือเราจะรุดหน้าไปเรื่อยๆหลีกได้ก็หลีกหลีกไม่ได้ก็รับมือหรือจะเป็นโอกาสที่จะทำลายมันได้ก็ทำลายซะโดยจะไม่ยอมเสียเวลา และก็ไม่เปลี่ยนเป้าหมายเดิมของเราครับถนาดน้าเราทำได้เกิดจะตรงสีสันป่าโปร่งแห้งแรงไม่มีเงาร่มเหนุกเบื้องหน้าขบวนลูกหากที่เดินกันไปอย่างไม่มีการดุดกำลังลงสู่ทุ่งแฝกแล้วและเห็นร่องรอยของไฟป่าไม่ป่าบางแห่งเหลือแต่ตอและลำต้นดำเกลียมยืนโดเดี บางตำแหน่งก็ยังมีคุ ก, กรุนมีควันโชยอยู่แสดงว่าแรงจับไม่มีฝนตกมาเป็นเวลานานติดต่อกันท้องฟ้าเบื้องบนดาดไปด้วยกลุ่มเมฆขาวกระจายเป็นหย่อมๆแรงร่อนเล่นลมอยู่ลิบๆเห็นเป็นเส้นดำลอยอยู่ 7-8 เส้นพื้นดินปนกรวดแห้งเป็นฝุน่นและทุ่งแฝกที่กำลังจะตัดทางฝ่ากันไปนั้นเป็นแฝกที่แห้งตายซาย แดงพืชไปหมดสามารถที่จะกลายเป็นทะเลเพลิงขึ้นมาได้ในวินาทีใดวินาทีหนึ่งถ้าหากได้รับเชื้อไฟเพียงเล็กน้อยกระพินสั่งให้ทุกคนระวังในเรื่องบุหรี่ไม่มีร่องรอยของสัตว์ชนิดใดเลยในทุ่งแฝดอันกรอบเกลียมนั้นทุกคนมีความรู้สึกเหมือนอยู่ในเตาอบยักษและนี่เป็นครั้งแรกนับแต่เริ่มออกเดินทาง ที่คณะอเมริกันทั้งหมดสำนึกได้ว่าภูมิประเทศมันทารุณผิดไปกว่าที่เคยผ่านมาแล้วสภาพแวดล้อมลักษณะของป่าและเขาก็ผิดแปลกไปมากเหมือนจะ ก, ก้าวเข้ามาสู่อีกดินแดนหนึ่งดินแดนซึ่งมนุษย์ไม่ประสงค์จะผ่านพบนนั่นก็คือนรกสันดาบนั่นเองทุกคนเริ่มกระหายน้ำ และจิบจากกระติกบ่อยๆมองดูผาดผาดว่าทุ่งแฝกนั้นไม่น่าจะกว้างไกลนะักตีนเขาที่พอจะแลเห็นต้นไม้ใหญ่ยืนต้นอยู่ใกล้ๆแค่นี้เองแต่ดูมันช่างช้าเสเหลือเกินไม่รู้จักหลุดพ้นจากดงแฝกไปถึงที่นั่นได้สัยทีภาพลวงตาเริ่มเกิดขึ้นแล้วในไอแดดที่เห็นอยู่ระยิบระยับสั่นพิ้วเหมือนมองผ่านเตาออกไป ไหนจะร้อนอบอ้าวแทบดับจิตไหนจะเริ่มแสบหนังเพราะเปลวแดดและไหนจะเริ่มคันยิบยิบตามผิวหนังนอกร่มผ้าอันเกิดจากธุรีละอองของพืชตายแห้งบางชนิดหยุดพักก็ไม่ได้เพราะทนเปลวแดดและแฝดแห้งรอบตัวไม่ไหวเดินต่อไปก็แสนที่จะเหน็ดเหนื่อยอ่อนระหวยหยุยอร่อยแล้วพี่ มันดุเดือดดีแท้ไอ้ทุ่งแฝกตายซากนี่พี่เชิดบุตรพยายามจะเกิดอารมณ์ขันร้องขึ้นด้วยเสียงแหบๆบรับพินฝีเท้าสม่ำเสมออยู่เหมือนเดิมและขณะนี้ก็ยังเดินเกาะกลุ่มอยู่ใกล้ๆไม่พาะล่วงหน้าหรือทิ้งหลังห่างไกลออกไปเอื้อมมือมาตบหลังทนหน่อยครับ เดี๋ยวก็พ้นทุ่งช้างร้องนี่แหละอ๋อบริเวณนี้เรียกว่าทุ่งช้างร้องเลยพี่พวกคนป่าเรียกบริเวณนี้ว่าอย่างงี้ครับไปออกมาแล้วก็คือทุ่งช้างร้องมันก็ใกล้ๆ ก, กับห้วยเสือร้องแค่นี้เองแต่การร้องของสัตว์สองชนิดที่นำมาตั้งชื่อมันผิดความหมายกันไอ้ที่ห้วยเสือร้องนะั้นมันเสือมันชุม มันก็เลยร้องให้ได้ยินทุกวันแต่ที่ทุ่งนี่นะ่ะมันแห้งแล้งกันดานมากขนาดช้างถ้าเดินหลงเข้ามาก็ยังร้องเพราะหาอาหารกินไม่ได้อ๋อแล้วทุ่งระพินร้องล่ะมีบ้างไหมคริสติน่าผู้สงบปากคำมากที่สุดถามเบาๆมาเป็นประโยคแรกขณะที่ฉุดแขนเบร์ซึ่งกำลังจะเซออกนอกทาง มีอาการคล้ายจะคำมั่นหน้าให้เข้าสู่เส้นทางเดิมและจับให้แน่นเหมือนพยุ่มีครับจอมพรานตอบเสียงลึกป้ายแขนเสื้อเช็ดเหงื่อจากหน้าผากที่กำลังหยดเข้าตาไม่มารืนก็มาเรื่องหรือวันถัดไปพวกคุณได้พบกระทุ่งระพินร้องแน่นและเมื่อนั้นคุณจะรู้สึก ว่าวันที่ภูเขาหินมันถล่มเรามาฝังคุณอยู่ในท่านที่แล้วมาน่ะมันกลายเป็นเรื่องที่ผงเหลือกันบัดดนนั้นเองทุกคนก็จะยินเสียงแผ่นดินสะเทือนด้วยอาการควบของสัตว์ตีนกีเป็นจำนวนมากดังสนั่นออกมาจากป่าแดงที่เฉียดผ่านกันมาแล้วเป็นเสียงที่มันควบขย่บ ก, กันทั้งฝูงไม่ต่กว่าร้อยตัวและม่านฝุ่นทางด้านนั้นลอยคลุ้งเป็นควันไปหมดลอยขึ้นสูง เรากับนับกันไว้ทุกคนในขบวนแนมะ้แต่พวกลูกหากที่เดินเข้าแถวกันอยู่เบื้องหน้าพากันหยุดยืนนิ่งกันไปหมดไม่มีใครเคลื่อนไหวเชิดบุตรผู้กำลังจากรอกน้ำจากกระติกใส่ปากก็ถือคางหยุดเช่นนั้นเองระพินพ่าออกจากกลุ่มของนายจ้างที่ยืนกันอยู่เป็นหมู่เห็นสองสามรวดตรงไปที่ยอดปลวกลูกหนึ่งสูงประมาณหกเจ็ดฟุตไต่ขึ้นไปบนนั้น แลมองสังเกตการออกไปยังที่มาของเสียงควบทั้งฝูงที่สนั่นอื้ออืงไปหมดนั้นใจเดียวก็ตะกรสั่งการไปยังแถวพวกลูกหาบนังก้องถอยลงไปก่อนหลบลงทางด้านซ้ายเร็วระพินพวกนายจ้างตื่นจากตะลึงร้องเรียกเขาเป็นเสียงเดียวจ้พาพันโดดกลับลงมาที่เก่าในขณะที่ขบวนลูกหาดทั้งหมดพากันหาของ วิ่งตะลุยทุ่งแฝกลงไปทางด้านซ้ายมือโดยเบนออกนอกทิศทางที่กําลังบ่ายหน้ากันไปส่ว น, น, นกลุ่มนายจ้างยังคงยืน อ, อยู่ที่เก่าผานใหญ่ก้าวสวบๆก็มาถึงก็บอกโดยเร็วว่าไม่ต้องตกใจครับนิดหน่อยเท่านั้นเองไวป่าฝูงนั้นไม่ทราบว่ามันแต่ตื่นอะไรทั้งฝูงกําลังวิ่งป่าทุ่งบ่ายหน้ามาทางนี้เราจะหาทางให้มันเบนทิศไม่งั้นอาจวิ่งผ่านก็มาตางกระ บ, บวนเรามีหวังถูกเยียบแหลก พร้อมกับเขาควักกระเป๋าสะบัดซิโบกออกมาเสียงสตาลีถามเร็วหรือว่าคุณจะทำยังไงพวกเราควรยิงไล่หรือยิงปะทะไว้หรือเปล่าดอเตอร์ครับไม่ว่าจะยิงไล่หรือยิงปะทะหยุดมันไม่ได้ครับเพราะมันไม่ใช่แค่ตัวสองตัวแต่มันทั้งฝูงครับแล้วที่นี่ก็เป็นทุ่งโล่งผมคานวณผิดซะด้วยซ้านึกว่าไม่กี่ตัวที่ไหนได้ ร่วมสองร้อยละมันถ้ามันวิ่งผ่านก็มาทางนี้อย่าว่าแต่เนื้อเลยครับแม้แต่กระดูของพวกเราก็จะบ่นหมดเพราะถูกเดียดครับเรากับจะรู้กันอยู่ก่อนแล้วโดยไม่ต้องสัง่งการใดๆเลยบุญคำกะจันล้วมใต้ออกมามัดหนึ่งแต่ชาออกจากสายปอที่มัดไว้โยนไมเขาสองสามดุนตนเองก็แยกจุดใต้ติด ไ, ไฟได้ก็สงแจกายไว้แก่กลุ่มนยจบอกอย่างรีบด่วนต่อมาว่า แระจายกันออกเป็นแถวหน้ากระดานเร็วใช้ใต้เหล่านี้จอติดกาแฟแค้ให้ลุกขึ้นเว้นระยะห่างคนละประมาณ10เมตรเราจะใช้ควันและเปลวไฟเป็นฉากบังคับไม่ให้มันวิ่งฝ่ามาทางด้านที่เราอยู่แต่ใช้เบี่ยงไปทางอื่นพอจุดเสร็จวิ่งให้เร็วที่สุดตามพวกลูกหาไปได้รับคำสั่งเช่นนั้นทุกคนก็เข้าใจกันทีต่างวิ่งเข้ามารับใต้จากมือเา้า บุญคำและจันคนละอันสองอันเดี๋ยวกระจายกันออกอย่างฉับไวที่สุดโดยไม่มีใครเงอะงะรีรออยู่อีกเพราะเสียงควบแผ่นดินสะเทือนเคลื่อนใกล้เข้ามาเป็นลังดับรับพินทันตัวอย่างให้ดูก่อนจอไฟจากใต้เข้าไปในพรมแฝกแห้งมันก็ลุกคือขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะความแห้งเป็นเชื้อเพลิงนีอยู่ก่อนแล้วพร้อมทั้งควันขมุบบัตมังกีคิดันลีอิสเบ คริสและเชิดุบก็ ว, วิ่งแยกกันออกเป็นแถวยาวตลอดแนวทางเดินนั้นต่างจุดไปติด ก, กอแฝกแห่งลุกขึ้นเป็นหย่อมย่อมหามทางบรรยากาศอันเราอุกอ้าวแทบจะเป็นเตานรกอยู่แล้วจึงชั่วในตาเดียวเท่านั้นตลอดเส้นทางเดินในแนวยาวประมาณ40เมตรก็ลุกคือขึ้นดนเปลวเพลิงอันร้อนแรงและทวีหัขึ้นอย่างรวดเร็วพร้อมทั้ ง, ทงควันขมุน การกบุญค้ำเอาใต้ที่เหลืออยู่อีกสองสามอันไม่มัดนั้นจุดปิดไฟแล้วปาโดงลึกเข้าไปในโพรงแฝกห่างไกลออกไปยังด้านที่เสียงวิ่งกันมาทางแผ่นดินถล่มนั้นด้วยซึ่งมันก็ลุกติดราวกับโยนเข้าไปในบริเวณที่เอาเบนซินราดไว้ก่อนเอยได้แล้วเร็ ว, รวบุญค้งําพวกเจ้านยไประพิพ์สโกบุ้กับ โดดเข้ามาต้อนพวกนายจ้างอเมริกันและเชิดวุฒชี้มือให้วิ่งหลบลงทางด้านซ้ายมือบ่ายหน้าไปสมทบกับพวกลูกหักซึ่งโกยอ้าวกันไปก่อนแล้วแล้วพินสำลักควันไออยู่แคะแคแต่มือโบอกเป็นเชิงไล่ให้พวกนั้นล่วงหน้าไปก่อนโดยไม่ต้องฝูนขณดนั้นลมก็เริ่มพัดวันในทุ่งแควขโมงไปหมดพร้อมกับเปลวไฟที่ลุกช่อช่วงทำแท้จะเผาผลาญติดต่อกัน กลายเป็นทะเลเพลิงขึ้นทั้งท้องทุ่งอันแคแล้วตัวเขาเองก็ครึ่งวิ่งครึ่งเดินกระโดดข้าม้องไฟตามหลังมาทุกคนไม่ว่าจะเป็นฝ่ายนายจ้างหรือพวกลูกสามารถเคลื่อนไหวและประสานงานกันได้อย่างฉับไวทันทีเพราะความคล่องตัวสูงจากการฝุ่นเครื่องที่เคยมาก่อนบ้างแล้ควคนรู้หน้าที่ดีว่าตนควรจะต้องทาอย่างไรบ้างเพื่อความปลอดภัยของตนเองและหมู่คณะ ประมาณร้อยเมตรหลักทางลงจากทิศทางที่จะบ่าหน้าทั้งหมดไปยืนร่วงตุ่มกันอยู่เกิดพยายามเบี่ยงหนีขึ้นเหนือลมเพื่อไม่ให้กลุ่มควันอันเป็นทุ่งไปหมดนั้นขัดมาบดลักพุเลชุนละมุนกันพอดีแตกไหมก็ได้หลักากฟางมากไปที่ลุกโชษดร้อนแรงเป็นใจระยอยู่นั้น ทุกคนเห็นฝูงของสัตว์ใหญ่สีดำสนิทเคลื่อนเป็นสายตัดผ่านทองทุง่งและเป็นขบวนยาวเหยียดระยะห่างออกไปประมาณ5 600, ้หร้อยเมตรแผ่นดินที่ยืนกันอยู่ขณะนี้ลันขึ้ไปหมดเพราะฝีเท้าควบตะลุยเต็มเหยียดเหล่านั้นหัวขบวนของมันอันกำลังจะมุ่งตรงมายังฝ่ายของมนุษย์บัดนี้เบนเปลี่ยนทางแล้ว โดยหัวใบออกแล่นขนานไปกับแนวกองไฟที่กินแปกมุ่งไปยังฝาแดงเชิงเขาที่เห็นอยู่ลิกๆไม่อาจพอที่จะแล่นฝ่าแนวกองไฟเข้ามาได้เสียงพวกลูกแอบชี้มือร้องบอกกันเอะอะส่วนตุ้มนายจ้างยืนเบิกตาลงจ้องมองดูกองทัพายป่าที่กำลังเคลื่อนผ่านหน้าไปกลางทุ่งระยะไม่ไกลและไม่ไกลนั้นอย่างจัง ลีซีนาควัากล้องสองทางไกลออกมาจับภาพแล้วกระเดือกน้ำลายลงคอม ส, ส่งตอไปให้หัวหน้าของหลอนแล้วคือไซลีคอนจับภาพปรับเล่มเข้าได้ก็ครั้งว้าวเกือบห้านาทีเต็มๆที่ขบวนของม้หิงสาเหล่านั้นห่อแน่เป็นสายผ่านหน้าไปจนกระทั่งแลเห็นส่วน ท, ท้ายขบวนของมัน กำลังจะเข้าไปยังเนินเขารูปนกอินทรีที่เป็นจุดหมายของทุกคนคนที่ทุงตลกขึ้นมานั้นราวกับก้อนเมฆรับพินไพรวันป้ายแขนเสื้อขึ้นเช็ดเหงื่อและเท่าละอองที่จับอยู่บนใบหน้าพร้อมกับสงใจเพื่อมองหน้าฝ่ายเมริกทุกคนแล้วยิ้ ม, ย, มยิ้มหา้าโดยไม่พูดอะไรเลยในขณะ น, นี้เสียงฝีเท้าสะเดือนทุ่งก็หางไกออกไปเป็นลำยัก หลักเดนั้นครั้งแรกก็เปียกด้วยการแก้งเอาน้ําในกระติกของเา้าราตัวก่อนต่อมาก็แห้งลงอย่างรวดเร็วเพราะความร้อนของแสงแดดและอากาศรออ้อนแต่เดี๋ยวนี้ก็โชคอีกแล้วด้วเหงือ่อล่อนประคองมือทั้งสองขึ้นแล้วเป่าลมเหมือนจะให้ลมที่ล่อนเป่าไล่หลังเจ้าควายป่าจํานวนมาคมาเหล่านั้นไปแซะให้ พ, นพน้นๆอย่าได้หวนกลับมาอีกชิบหาย ไม่ได้รัวไฟช่วยไว้่านนี้พวกเราแหลกกันไปหมดแล้วผมกะว่าตั้งสองสามร้อยตัวทวีแต่ละตัวก็นองนองช้างเชิดวุดครางออกมาใช่ทิศทางเดิมของมันก็ทำท่าจะห่อตะบึงมาทางด้านเรานี่แหละโชคดีแทๆ้ๆที่ระพินไหวทันซะก่อนหัวหน้าคณะจุ ป, ปากปเบาใบหน้าของอเมริกันอาวุโสบัดนี้แดงกําเป็นตํานิุู เพราะความร้อนตาสีฟ้าของเขาคงเบิกโตอยู่เช่นนั้นคิดสะบด ป, ปุกอิบด่าพ่อเล่าแม่เหตุการณ์ตามเคยชวนแม่ผมทองซ่อนความรู้สึกได้ดีเยี่ยมสีหน้าของหลอนเป็นปกติมีอาการหอบบ้างเล็กน้อยเพราะวิ่งสุดฝีเท้ามาเมื่อครู่นี้คริสติน่าจับว่าเป็นผู้หญิงประเภทนักผจนภัยชั้นเยี่ยมหาตัวจับยากคนนึงทีเดียวหลอนว่องไวกว่าเบมากนกะ ไม่ตื่นตะลึงกับเหตุการณ์จนทําอะไรไม่ถูกจะไม่เป็นภาระของใครให้ต้องคอยตังวลอยู่ทั้งสิ้นเบนนั้นยังมีอาการละล้าละละัลงต้องคอยเรียกคอยฉุดดึงกันและค่อนข้างจะโวยวายถ้าเกิดเหตุขับขันขึ้นไปกันเถอะครับขืนชาดีไม่ดีเราจะถูกย่างสดหาทางออกจากทุก่งแฝดนี่ไม่ได้ มันทำท่าจะกลายเป็นไฟลามทุ่งไปหมดแล้วและมันก็ลุกเร็วซะด้วยระพินเตือนขึ้นเมื่อเห็นชัดว่าผ่านวิกฤตการณ์ไปได้แล้วแล้วก็ตะโกนบอกลูกหาบทั้งหมดจึงเริ่มเคลื่อนที่อ้อมหนีแนวกองไฟที่ลุกลามกินแดนอย่างรวดเร็วโดยหลุดออกนอกวงล้อมมุ่งทิศทางตามหลังควายป่าฝูงนั้นไปตัวเขาเองยังเดินรวมกลุ่มมาตับณะของฝ่ายนายจ้างนี่ระพิน มันน่าจะมีอะไรสักอย่างที่คุณยังไม่ได้บอกพวกเรานะหัวหน้าคณะเ อ, อ่ยขึ้นขณะที่เดินมาด้วยกันอะไรล่ะครับด ร, รก็ไฟป่าฝูงนั้นน่ะมันแตกตื่นหนีอะไรมาไม่ฉะนั้นมันคงจะไม่โลดตะบึงกันมาอย่างเต็มที่ทั้งฝูงอย่างนั้นหรอกไอ้เจ้าว่าตกใจไฟป่าก็ใช่ที่เพราะเราก็มองไม่เห็นคาวว่ามันจะลุกลามอะไรมากมายนักนอกจากจะมีอยู่บ้างปราปลายเป็นหย่อมเล็กๆห่างกันมาก แลวพวกมันก็คงจะหากินกันอยู่หลังเนินลูกโน้นมาก่อนนานแล้วอยู่ๆก็ควบตะบึงกันมาทั้งฝูงเหมือนตกใจอะไรอย่างกระทันหันเงั้นแหละจะว่าไดกลิ่นพวกเรามันก็คงไม่ตกใจถึงขนาดนั้นนะจอมพรานเอานิ้วขยี้จมูกสเตลีเป็นคนช่างสังเกตและละเอียดอยู่ไม่ใช่น้อยครับผมก็กำลังคิดอยู่เหมือนกันว่ามีอะไรที่ทาให้มันเลิดมาทั้งฝูงแบบนี้ แต่ก็ช่างเหมือนก่อนเถอะครับเดี๋ยวเพิ่งไปคิดค้นต้นเหตุอะไรเลยอดีตสำคัญที่สุดตอนนี้เราหาทางเอาตัวรอดให้พ้นจากการถูกพวกมันวิ่งเหยียบได้ก็บุญขูแล้วเพราะนั่นเป็นปัญหาเฉพาะหน้าแล้วเขาก็รองเร่งพวกลูกหาบอีกให้เดินกันอย่างเร็วที่สุดเนื่องมาจากไฟลามทุ่งกำลังขยายแนวทำท่าจะขวางกั้นหน้าไว้หันมาบอกกลุ่มนายจ้างอย่างเร่งด่วนต่อไปว่าเร็วกว่าเถอะครับเราต้องทาเวลาให้เร็วที่สุด ดีไม่ดีจะสุกเป็นเนื้ อ, อย่างอยู่กลางทุ่งแฝกนี่นแหละพวกลูกหาบเปลื่มหาบของออกวิ่งแล้วแข่งกันแนวไฟที่ลามไล่เนื้อที่เข้ามาอย่างหาขอบเขตไม่ได้และไม่มีปัญหาถ้าไม่มีปาฏิหาริย์ฝนตกลงมาสตอนนี้ทุ่งแฝกทั้งทุ่งอาณาบริเวณกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตาจะต้องกลายเป็นทะเลเพลิงแน่นอนเพราะไม่มีอะไรมาดับได้จากเชื้อไฟที่คณะเดินทางระดมจุดขึ้นเอง ทางด้านนายจ้างสไตลีสั่งให้เบนกับคริสวิ่งตามหลังการนำของกระบวนลูกหาไปก่อนจากนั้นสามคนโดยการเป็นพี่เลี้ยงของจันกระบุนคำก็ออกแล่นกันอย่างเต็มเหยียดมิรพินวิ่งเหาะเาะสังเกตทิศทางลมตามเบื้องหลังสีแตเถ้าบุญคำตะโปนโบวเวกเร่งกลุมนายจ้างไม่ขาดปากลั่นไปทางทองทุ่มผสมกับเสียงลุกฮือและพายุไอรอนที่โหมอยู่วูบวาบบลับ เวลนายห่างพ่อจีเลยตามบุญคำมาทางนี้ไฟมันจะล้ลอมเราหมดแล้วคืนชาไม่มีทางออกแน่อย่าไปห่วงนายธรพินก้าเดี๋ยวแกก็ตามมาได้ก็ไ่ไอ้อรพีไม่เล่มาเยียบเราแต่แกกำลังจะเผาพวกเราก็ใหายซะเองแล้วอุ้ยรอนชิดผงเลยวุ้ยลมหวนตลกอีกครั้ง ทั้งหมดที่กำลังเร่งสีเท้ากันสุดริตกอยู่ใต้ทางลมมองทับสมวิสัยเบื้องหน้าแทบไม่เห็นเลยนอกจากกลุ่มฟันที่บังมืดไปหมดและพายุเริ่มพัดแรงตามกฎของธรรมชาติเมื่อเกิดเปลืงขึ้นเสียงโหกโหกชนิดแผดสุดเสียงของระพินดังมาอีกเร่งเตือนในสตารลีเชิดบุตรคริสตินาเบและคริสทั้ง5คนไม่จาเป็นจะต้องคอยตามหลังพวกลูกคาาอยู่ให้เสียเวลา โดยบอกให้พวกนั้นแล่นหนีแนวไฟเอาตัวรอดออกไปก่อนเพราะถึงยังไงก็ไม่ได้แบกหามอะไรย่อมจะคล่องตัวว่องไวกว่าพวกลูกหาบมากแต่ลีปฏิบัติตามคำสั่งนั้นทันทีสั่งให้คนของเขาทั้งหมดรวมทั้งเชิดบุตรโอยแนบะตัดหน้าพวกลูกหาบซึ่งกำลังหามของวิ่งกันอย่างตุปัดตุเปเป้าหมายเบื้องหน้าที่เห็นอยู่นั้นเป็นทางออกแค่เพียงไม่เกิน10เมตรเท่านั้น ที่ไฟจากทุ่งแฟรทั้งสองแนวกําลังเคลื่อนเข้ามาบรรจบกันมันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะอะไรก็สุดที่จะเดาได้ในขณะนี้อาจเป็นได้ในข้อที่ว่าระหว่างที่เริ่มจุดไฟโดยอาศัยใต้เป็นเชื้อเพลิงขึ้นก่อนต่างไฟต่างก็คว้างใต้ปิดไฟเหล่านั้นออกไปในทิศทางด้านหน้าโดยไม่ได้คํานวณไว้ก่อนว่ากองไฟมันจะเกิดขึ้นในรูปใดโดยเฉพาะเมื่อรอบด้า เต็มไปได้แฝกแห้งเชื้อติดเพลิงอย่างดีเลิศเช่นนี้ระยะที่เห็นทางรอดของการถูกไฟคลอกทั้งเป็นห่างประมาณ30มเมตรเบนกับคริสติน่าจูมือกันวิ่งล้มลุกคลุกคลานระเนระนาดคิดฝันล่วงหน้าไปไม่ถึงว่ากองไฟที่จุดไว้จะเกิดเป็นเหตุใหญ่ล้อมย่างคณะกันเองเขาเชิดบุตรสแตลลีและคิทแลนตามมาทันช่วยกันชุดดึงกระชากเขน แล้วก็สมสารตาลีตาเหลือกรุดหน้ากันไปยิ่งใกล้จุดหมายทางออกเท่าใดก็เท่ากับวิ่งเข้าหากองไฟใกล้เข้าไปเท่านั้นแลวไฟจากใบและกอแฟกแห้งแลดเลียปานจะแข่งแสงตะวันเทียงทุกคนสำลักควันแทบจะหายใจไม่ออกไหนจะเหนื่อยไหนจะไม่มีออกซิเจนเพียงพอพวกลูกหากเองก็หากระเตงของหัวสุกหัวชุนไปตามๆ ในที่สุดฝ่ายนายจ้างทั้งหมดก็ตัดสินใจวิ่งฝ่าเปลวไฟด้านที่เบาบางที่สุดนั้นทะลุผ่านวงล้อมของเคริงนรกออกไปได้และพาการตะเกียก ต, ตะกายออกไปราว20เมตรเพื่อให้พ้นรัศมีอันร้อนแรงทุกคนเหนื่อยแทบขาดใจแต่ก็ลืมความเหนื่อยนั้นไปหมดสิน้นเมื่อหันกลับมาและเห็นพวกลูกหาบชุดแรกที่จับว่าวิ่งเร็วที่สุดคือคู่ของเกิดและเสย ตะเกียต์ตะกายหาของแล่นลิวออกมาได้เพียงคู่เดียวอีกห้าคู่ยังมองไม่เห็นว่าจะโผล่ตามออกมาเพราะควันหนาถึกบังมัวไปหมดถังเสยและเกิดทารอาทแร่มาถึงก็ ล, ล้มแผลถิงหากลงนอนหงายหายใจสิครงบานอยู่จะถามอะไรทั้งสองก็ยังพูดไม่ออก แต่ลีก็สั่งการเร็วหรือเป็นรถไปด่วนับคนของเขาในทันทีนั้นอย่างคนที่ทันก่อเหตุการณ์เช่นกันคริสเบเชอรุตอยู่ตรงนี้ก่อนดูกลอรกระสัยด้วยถลมพัดขวันร่มเข้ามาให้ถอยไปทางด้านเชิงเขาฉัน จ, จะคิดจะกลับก็ไปช่วยพวกนั้นเองร้องกลับร้องสั่งอย่างแทบจะไม่เป็นภาษาอเมริกันอาวุโสผู้พิสูจน์บัตรนี้แล้วว่เมื่อถึงภาวะจำเป็นจริงๆขึ้นมาเขาก็พร้อมที่จะเป็นผู้บงการ และตัดสินใจทำอะไรลงไปได้อย่างไม่มีการลังเลเลยปันสนยนไรายพ้นและตรวจเครื่องหลังติตัวออกทิ้งไว้พวกที่สั่งให้คุมเชิงอยู่ด้านนอกและรองไปยังหีพอสัมภาระในหาที่เกิดตัดสรดเป็นผู้นำนำนี่ก็ได้โชคดีเหลือเกินมันเป็นหีบบรรจุอุปกรณ์และเครื่องมือตลอดจนชุดที่จะใช้ในการเข้าตรวจสอบกำมันตะภาพรังสีข้า หรือเปิดออกอย่างรวดเร็วโดยมีอิาเบลและคริส ซ, ซึ่งดูเหมือนจะเข้าใจดีอยู่แล้วว่าหัวหน้าของหล่อนต้องการอะไรเพื่อกันแก้ฮีพอนั้นชนิดแห่งเอาเวลาชั่วปีใจชุดสำหรับษสวมใส่เพื่อกู้ระบบนิวเคลียกก็ถูกกระชากออกมาสองชุดโยนไปยังสเตลีชุดหนึ่งคิดชุดหนึ่งมันเบาบางมากดูผาดาดเหมือนหนังเทียมหรือพลาสติกแต่แม่ละ อย่าว่าแต่ไฟธรรมดาเลยแม้แต่กรรมนันภาพรังสีก็ยังไม่อาจเซรกซึมเข้ามาได้สวมหน้ากากพร้อมสับคลุมหัวปิดหน้ากระป๋องน้ำยาเคมีแห้งขนาดท่อนแขนยาวอีกหนึ่งซอกคนละกระบอกและดูเหมือนมนุษย์อวกาศแล้วทั้งสองก็วิ่งสวบสววบุกฝ่าม่านควันและเปลวอันร้อนแรงของไฟที่เผาทุ่งแฝกเข้าไปทันที เชิดบุไม่เข้าใจอะไรมาก่อนก็รอเฮ้ยขยับจะทักท้วงแล้ววิ่งตามไปช่วยแต่คริสติน่าโดยเขาล็อกคอไว้ลอยสองคนน่ะเขาจะปลักเข้าไปช่วยพวกเราทั้งหมดที่ยังติดอยู่ในกองไฟทั้งอาจารย์และคิดจะปลอดภัยเมื่ออยู่ในชุดนั้นไม่ต้องห่วงเชิดบุตรยืนตะลึงทำอะไรไม่ถูกคริสติน่าอหยุดเชิดบุตรไวได้แล้วก็ตรงเข้าไปช่วยเบรายปอดเกิดและเสย ที่ทำท่าเหมือนจะนอนหมดสติสองหญิงของคณกประสานงานกันทางด้านปฐมพยาบาลอย่างเข้าคล่องที่สุดรวมทั้งใช้อุปรกรณ์ในหีพอนั้นด้วยเป็นสเปรย์ของอะไรชนิดหนึ่งเขาก็ไม่อาจทราบได้แต่พอฉีดเข้าไปที่หน้าและบริเวณปากกับจมูกของพรานเด็กหนุ่มทั้งสองก็ปรากฏว่ทะลึ่งพรวดลุกขึ้นนั่งทางขาสบัดหน้าอยู่เร้า ด้คิดกับสไตลีที่วิ่งฝ่าเข้าไปในกองไฟอีกครั้งหนึ่งมองเห็นอย่างชัดเจนว่าทั้งสองสามารถตะลุยผ่านเปลวไฟที่ไหมพงแตกเข้าไปได้ผิดกระเสื้อผ้าหรือถูหนังธรรมาดากระบอกเคมีที่ถือติดมือกันคนละแท่งฉีดเป็นละอองเหมือนกองสบู่พุ่งพรวดพรวดเข้าไปใส่กองไฟเบื้องหน้าที่ฝ่าเข้าไปเป็นระยะระยะทุกครั้งให้การฉีด ของสีน้ำเงินแลเห็นชัดจะพุ่งเป็นฝอยกกตัดระตุมควันเขาและเปลวเพิิงสีแสดที่ลุกฮืออยู่ช่วงยาวประมาณสามเมตรและทุกครั้งที่มันฟัวไปเปลวไฟที่กำลังลุกอยู่ในตำแหน่งนั้นดักโซมลงไปในทันทียิ่งกว่าใช้น้ำสั่ทั้งสองบึกตะลุยฉีดย้อนกลับเข้าไปทางเดิมและเห็นเป็นช่วงเข้าไปอย่างชัดเจน เพียงแค่ไม่ถึงสามนาทีเท่านั้นคนที่เต้นเย๋งเย๋งเป็นกบถูกไฟลนอยู่บนตะแกรงก็หลุดรอดออกมาได้อีกสองคนคือท่าวินคันและจั้าของฟองสีน้ำเงินจากตัวเต็งไปหมดพอออกมาได้ทั้งสองก็วิ่งโซซัดโซเซเข้ามารวมพวกชี้โบยชีเบไปทางเบื้องหลังตะโกนบอกอะไรฟังไม่ได้สักจากนั้นลูกหา ก, ก็ลโผ ล, ล่ล้นออกมาทีละคู่สะบักสะบอมแทบจะขาดใจ ลมกริ่งไปด้วยกันทั้งสิ้นจนครบหมดทุกคนทั้งหมดล้มบ้างคลานบ้างแต่ก็ยังมีกำลังพอที่จะช่วยกันแบกของซึ่งเห็นชัดว่ายังไม่มีสิ่งใดถูกไฟไหม้ไปตรงเข้ามารวมกลุ่มทั้งเชิดบุตเบรและคริสกําโดกเข้าไปหาบุญทรรมตะโกนเป็นเสียงเดียวกันร้านใหญ่อยู่ไหนรานใหญ่อยู่ไหน คุณคำพูดอะไรไม่ออกพอมาถึงก็ทำตาเหลือบึงตัวนั่งแปะลงกระพื้นแยกเขี้ยวขาวแงเชอดหุ้หันกลับไปคว้ า, วาคอจันไวเขย่าวโดยแรงคุณ พ, พินน่ะจันคุณ พ, พินเสียงของนายทหารหนึ่งยังกับฟ้าร้องกายสั่นเทิมไปหมดเมื่อมองเห็นทุ่งแฝกเป็นทะเลเพลงไปจริงๆแล้วแม้ว่าจะมองเห็นช่องทางโลกเป็นเส้นเล็ก ีสไตลีก็คิดบุกเข้าไปแต่แล้ชั่วพริบตาอเมริกันทั้งสองก็หายลักไปในม่านไฟอีกเช่นกันนายนอยู่ข้างหลังข้างหลังโน่นไม่รู้จะหลงทิดหรือเปล่าเพราะควันมันมัวไปหมดมองอะไรไม่เห็นเลยนายทหารจัน์บอกกระหืดกระหอเฉิดวุฒน์ทนไม่ได้อีกแล้วเขาตั้งท่าจะเพ่นอกไปอีกเพราะแล่นไปได้สองก้า ก็ถูกคริสติน่าผู้ยืนอยู่ใกล้ๆ ไ, ปไปตตัดข้อเท้าด้วยหลักของคอมมานโดล้มกริงหลอนทิ้งตัวลงเอาเขากดหลังเขาไว้ชิวีเด็กจะเข้าไปถูกเผาในนั้นยังไงอาจารย์กะคิดบุกก็ไปช่วยแล้วตู้ เ, เปล่าคุุนขึนเข้าไปก็เหมือนมแมลงม่าวินกเข้าหากองไฟหลอนไม่พูดเปล่ากระชากคอเชือบุกเขามาแล้วตบฉาดมันจะเรียกสติให้คืนมา เชิดหุบนั่งหน้าช้าดิสบัดหน้าอยู่เราเราเขาลืมตัวหมดสติไปจริงๆด้ว่อความรักและเป็นห่วงรเราทีและในภาวะเช่นนี้สแสดงชัดอีกครั้งว่าคริสติน่าเฉียบขาดดุดดันที่สุดด็ดกเตอร์กะชีพมีวิทยุติตัวไปได้ด้วยหรือเปล่าเขาถามละนั่มละลักปักกายขึ้นมายืนกระสับกระส่าย และคริสคว้าข้อมือไว้มอีกมือหนึ่งกนเอ็มสิบกไว้ถ้าหากเขายังไม่เชื่อขึนดื้อดึงที่จะเสี่ยงบุกเข้าไปในทะเลเพลิงของทุ่งแฝงอากมีหวังถูกขวดไายทางด้วยปืนแน่นอนและถ้าเจเ้บคราวนี้คงถึงขั้นหลักไม่ต้องเรียกวิทยุซักถามอะไรขนาดนี้เสียเวลาอาจารย์กะคิดไม่ได้วิทยุประจาตัวเข้าไปด้วยหรอไม่ว่าอะไร ถือหนาไปตอนนี้มันก็ไหม้หมดเท่านั้นแหละนอกจากเครื่องดับเพลิงแล้วก็ชุดป้องกันไฟเท่านั้นเปลวไฟยังลุกเป็นทุกและรุนแรงขึ้นทุกขณะมองอะไรก็ไม่เห็นหนอกจากไอระยิบระยับของความร้อนและควันหนาทึบมีน้ำซ้ำฟันไฟบางส่วนยังทำท่าจะลามไล่เข้ามายังตำนแน่นที่ทั้งหมดซึ่งรอดออกมาได้แล้วอีกดู ไม่มีวี่แววของคีตและสแตนลีย์จะโผล่กลับออกมาให้เห็นนั่นไม่กระไรนะระบุคคลทั้งสองอยู่ในชุดที่ป้องกันไฟอย่างดีอาจจะร้อนบ้างแต่ก็คงไม่เป็นอันตรายแน่แต่รพินไทรวันแล้วบัด น, นี้เขาอยู่ที่ไหนไม่มีใครได้ยินแม้แต่เสียงร้องหรือให้สัญญาณใดๆของเขาเลย ขนย้ายของขยับถอยหนีไฟอีก20สเมตรคริสติน่าหรือไหลล่ามีเตประกาศก้องเมื่อเห็นไฟลามใกล้ที่หยุดพักของทุกคนเข้ามาอย่างไม่น่าไว้วางใจบัดนี้เมื่อปราศจากสตาลีคีฟและราพีหลอนไฟเป็นผู้บงการออกคำสั่งแล้วพวกลูกฮาบที่นั่งยองๆมองดูเปลวไฟรอคอยการโผล่กมาของเจ้านาย ก็ลุกขึ้นในตอนให้ขันใจหลอนคริสติน่าเอาากกระบอกปืนหัวซ้ายหัวขวาบางขนาดก็ใช้เท้าเตะทีลักใซยังรวดเร็วสแสดงออกถึงธาตแท้ที่ซ่อนอยู่นิดนึมานาเชื่อุกเองก็เพิ่งจะมาเห็นชัดเขาด้วยความตกใจแบบนี้องคริสติน่าคือแม่เสือร้ายชั ด, ชดขนาดเบลเอง ทภาวะภาวันเงะเงะงะงะก็ถูกคิ้วคอเวียงให้วิ่งหัวซุกหัวซุนบไกหัวหลอนเองพ่นลงค้าไรฟฝนของคีนัสตาลีตักเคลื่อนหลังอีกสองขุ่นขี่ขึ้นมาด้วยพละกกำลังที่แข็งแรงเต็มท่าเดินคุ้งไพ่ขบวนไปเพื่อถอยเริ่มไปตั้งหลักใหม่เชิดมุ้ดรู้สึกตัวแล่นตามมาด้วยช่วยรับเอาไอร่ฝนของเมริกันทั้งสองมาจากหล่อนทุลักทุเลฉุกเราหุ่น ก, กันอีก ไปตั้งหลักอ่านจากที่เดิมได้ก็หยุดกันลังจับไปทำเดิมเดี๋ยวพวกลูกหาก็ร้องโวยวายชีย้มือกันสลอนโน่นโน่นนายห้างคิดกันนายห้างบอโพลมโนนแล้วแต่ไม่มีนายรับพินออกมาด้วยจริงดังว่า่ามกลางสายตาที่จ้องมองอย่างตื่นตะลึงทุกคนเห็นร่างในชุดเหมือนมนุษย์อวกาศสองร่าง วว ก, กเพนออกมาจากแนวมานไฟนั้นอย่างรวดเร็วมือที่เคยถือกระบอกเคมีดับเพลิงบัดนี้ว่างเปล่าแสดงว่าฉีดเบิกทางเข้าไปจนหมดแล้วและคงจะโยนทิ้งหลังจากนั้นก็แล่นพระนี้ออกมาเพราะคงทนความร้อนอยู่ต่อไปไม่ไหวพอหลุดออกมาได้ก็วิ่งแจ้นตรงมายัางทัพพวกทันทีพร้อมกับโบกมือว่อนไปหมดรับพิษ พิณออกมาไม่ได้เชื่อทุกเส้นทางตะโกนออกมาสุดสียถูกแลไม่มีแม้แต่เงาของรพินไตวันที่จะปรากฏในตามคนทั้งสองออกมาคริสเดนและพรานพื้นเมืองตลอดจะลูกหาบทุกคนเบนิกตาค้างเงี้ยกันไปหมดโอ้อคริส พีเสียงเบครคแางออกมาแผ่วเบาที่สุดจากริมฝีปากที่ขมุกขมิริสตินา่ากัดริมฝีปากแน่นมือที่กำ M16 มอยู่ปล่อยปืนกระบอกนั้นตกลงกับพื้นโดยไม่รู้ตัวมือทั้งสองยกขึ้นปิดปากไว้แน่นส่วนคิดกับสปาลีพอพ้นแนวกองเพลิงออกมาได้ ก็วิ่งพลางโถดหน้ากากพลางร้องบอกแท่ไม่เป็นภาษาคนมาวะเราหาเขาไม่พบหาเท่าไหร่ก็ไม่พบจนแก๊สดับเพลิงหมด